สนผู้ใดที่ถึงพระพุตรพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสรศิฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษม นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้นี่คือรายการธรรมะทบปรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีแม้ข่ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครส่งไปยังสถานีทั่วประเทศไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังอยู่ทางภูมิภาคใดของประเทศไทยหรือแม้แต่ ทางคลื่นสั้นในต่างประเทศก็แล้วแต่ก็ในวันศุกร์ธมาพระไพบุ์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจะได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในลักษณะของการปาตักถาส่วนในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาในรูปแบบของการสนทนาธรรมการสาาักขา แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอเ น, นี้ใดๆที่จะฝากมาทางรายการไม่ว่าจะเป็นผู้ดําเนินรายการเองทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังไม้ผู้ที่คอยให้การสนับสนุนทุกฝ่ายก็ให้เขียนจดหมายมาได้นะถ้าใครสะดวกทางจดหมายก็ให้เขียนจดหมายมาที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอเมริกาไทยถนวนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหนึ่งศี่หรือว่าจะเป็นทางอ e ีเมล ไปทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เพียวธรรม c o m p-u-r-e-d-h-a-m-m-a. com สำหรับท่านที่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าทางเจาหน้ที่ของเราเนได้รับข้อมูลมาแล้วก็จะพยายามทํารายการของเราให้ได้ดีมากขึ้นเราก็ถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดมีคําถามในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติด้วยหมวดธรรมะข้อไหนที่ถ้าถามมาแล้วจะทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นก็ให้ส่งกันมาได้ อาธมาแล้วก็ทีมงานีาจะคอยรับฟังอยู่ในวันนี้ได้ยกพุทธวัชนะที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าคนเนี่ยถูกความกลัวคู่ขามจึงยึดถือเอาต้นไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกเจดีบ้างเป็นที่พึ่งในอย่างภัยพิบัติต่างๆที่เราได้รับได้รับฟังข่าวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสึนามิโอโคลื่นยักษ์ถล่มโลกนี้ หรือว่าเป็นการแผ่นดินไหวซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เรียกว่าน่ากลัวมากนะไม่เคยเกิดขึ้นในรอบเป็นหลายร้อยปีแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยใครอยู่เท่านั้นนี่ราบเละไม่เหลือนะมันอย่างข่าวที่เกิดกับประเทศต่างๆประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆในในโลกที่มีภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นถามว่าเมื่อภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องนี้นะถ้าเราเอามาเปรียบเทียบ นะครับในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนบอกสอนไว้อย่างไรคือว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบนะถ้ามาจะตามท่านูุฟังว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับภัยพิยบัติอันนี้พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างภัยพิยบัติอันหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบกับเหมือนภูเขาหินศิลาใหญ่เป็นภูเขาที่ทั้งทั้งทั้งแท่งทั้งภูเขาเนี่ยเป็นหินก้อนเดียวไม่มีรอยต่อใหญ่มากสูงเทียมฟ้านั่นเลย เรียงหน้ากระดานมาแทบด้านมาจากทางด้านตะวันออกแล้วเลื่อนผูเข้ามาสู่ใจกลางประเทศตะวันตกก็มีเหนือก็มีใต้ก็มีแล้วเลื่อนบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ขวางทางเนี่ยบทขยี้มาถ้ามีภัยพิบัติอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมาถามพระเจ้าเปรตที่โกศลบอกว่าพระองค์จะทาอย่างไรพระเจ้าเปรตทโกศลเนี่ยก็พยายามที่จะหา กลวิธีในการที่จะแก้ปัญหาภัยพิบัติอันนี้โดยการมีความคิดว่าถ้าเราเอากองพลช้างกองพลม้ากองพลรถกองพลรถเนี่ยแล้วก็กองพลเดินเท้าของเรานี่ไปรบนะต่อสู้กับภูเขาที่มันกําลังบดขยี้ทุกอย่างเข้ามาเนี่ยไม่มีทางได้เลยกองพลของเรานี่ช้างก็ถูกบี้ม้าก็ถูกบี้แตกตายนะกองพลรถกองพลเดินเท้านี่ถูกทําลายหมดหรือไม่สามารถแม้กระทั่งเอาชนะด้วยการใช้มน นะคือพระเจ้าพระเศียนิโกสันเนี่ยบอกว่ามหาอมาตในราชสกุล น, นี้เนี่ยที่สามารถใช้มนตนะ์ทำลายค่าสิทธ์ก็มีอยู่แต่ถ้าภายในลักษณะนี้เข้ามาเนี่ยทำไม่ได้เลยแล้วก็เช่นเดียวกันกับการใช้เงินนะใช้ทรัพย์ที่จะสามารถยุแย่ค่าสิทธ์ให้แตกกันเนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้ในกรณีนี้ถ้ามีภัยพิบัติ ร, ร้ายแรงเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยพระองค์จะทำอย่างไรนะการรบนีไม่ได้ผลแน่นอนไม่ว่าจ ะ, ตะเตรียมการขนาดไหนถูกบี้ตายหมด าพาภัชชาเสสเซนที่กุศลก็เลยตอบว่าทั้งนั้นเนี่ยเราต้องประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญนะเมื่อมาภัยพิบัติอันร้ายกาจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องทําอย่างนี้อะระเบียจะถานนี้ว่าเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันร้ายแรงมากขนาดที่เรียกว่าหนีไปไหนก็ไม่ได้นะแผนสองก็ไม่สามารถใช้การได้แผนสามแผนสี่แลนะที่วางสำ ร, รองไว้ถูกเละเทะหมด ไม่สามารถดําเนินการได้แต่ถ้ามหาภัยพิบัติชนิดร้ายแรงอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะวิธีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้แนะนำเอาไว้แล้วนะก็คือว่าถ้าใครเนี่ยไปเอาที่พึ่งที่ไม่ถูกแต่ตัวเองถูกความกลัวคุกคามเอาใช่ไหมแล้วก็ไปยึดถือเอาภูขเขาป่าไมา้สวนศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งของตนไม่สามารถหลุดพ้นไปจากทุกข์ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะ ว, ว่าทุกข์ในที่นี้หมายถึงอะไร ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธประธรรมพระสงค์เนี่ยแล้วทําให้เห็นอริยสัจสี่ฟังเหตุผลให้ดีนะมีพระพุทธประธรรมพระสงค์เป็นเหตุให้เกิดผลคือการเห็นอริยสัจสีอันนี้แหละคือจะก้าวพ้นจากความทุกข์จริงๆได้สามว่ า, าต้นไม้ภูเขาสวนรุกขเจดี JD, ถ้ามีภัยพิบัติอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้นไม้พังไหมพังแน่นอน สวนศักดิ์สิทธิ์ถูกบี้ไหมถูกบทขยี้ไม่เหลือเป็นดินไหวนี่สุดลงไปเลยลูกเจดีแตกแน่นอนนะเป็นผงเลยถ้าถูกบทขยี้อย่างนี้หรือว่ามีเผ่นดินไวหวเลยขึ้นซัดมาพวกนี้ไม่เหลือเลยนะถูกบี้บทขยี้ไม่เหลือหมดเราขนาดตัวเขาเองเนี่ยยังเอาตัวเขาไม่รอดเราจะไปพึ่งเขาเราโอ้โหมันคงคงพึ่งไม่ได้แน่นะแต่ถ้าผู้ใดนี่มั่นคงแน่ใจ ถึงพร้อมด้วยความตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณจะเห็นอริยสัจสีเห็นอริยสัจสีแล้วเป็นยังไงโหยคนเห็นอริยสัจสีเนี่ยนะจะสามารถลดจํานวนภพชาติในการเกิดโอกาสที่คุณจะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกไม่มีเหลืออย่างมากเจ็ดชาติแล้วแต่ละชาติที่เกิดเนี่ยไม่มีทางไปนรกกันหนึในราหรือเปรวิสยัยแล้วก็คนที่เห็นอริยสัจสีอย่างนี้เนี่ย คือทุกคนตายแน่นอนใช่ไหมตาในกรณีที่ภัยพิบัติลักษณะนี้เกิดขึ้นตายแน่นอนทุกคนน ะ, ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่หลบซ่อนกําบังอย่างไรเนี่ยมันท่วมเข้ามามันสั่นไหวแตกทับทุกอย่างถล่มทลายเนี่ยมันไม่รอดทุกคนนะไม่ว่าจะมันคือเรื่องแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองในเมื่อเราจะไม่รอดอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติชอบประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบําเพ็ญบุญเนี่ย ที่ไปของเราเนี่ยจะไปสู่ที่ดีได้แต่ถ้าคนคิดไม่ดีเนี่ยเขาจะไปสู่ที่ไม่ดีนะอแล้วถ้าคนคิดดีเนี่ยพูดดีทดําดีเป็นคนดีเนี่ยนะโอกาสรอดก็จะสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มีบุญมีบารมีเนี่ยสิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือพลังที่มีจากความรักความเมตตาพลังอะไรต่างต่างเนี่ยบุญบารมีมันก็จะมาช่วยหนุนเสริมให้เราเป็นคนดีขึ้นมาได้แต่ถ้าคุณ ไม่มั่นใจในพระพุพะทธมประสงค์ไปยึดถือสิ่งผิดๆอันนี้ก็คือพลาดนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามานับถือพระพุพะทธธมประสงค์ <c oughs> เห็นอริยสัจสีแล้วเนี่ยจํานวนพ้นชาติภพชาติที่จะต้องมาเกิดเพื่อที่จะมาเจอเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายภัยพิบัติ ร, ร้ายกาจถึงเพียงนี้เนี่ยจะไม่มีเหลือแค่เจดชาติเป็นอย่างมากนะแล้วก็พระพุทธเจ้ายังเคยเปรียบเทียบกับเอาแค่ปุถุชนนะที่ไม่เคยได้ยินฟังธรรมะเลยแต่ต้องไปเกิดอีกเป็นภพ เป็นชาติไม่ถ่วนบางทีคุณจะต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้อีกนับครั้งนับนับคนไม่ท้วนเนี่ยแต่ถ้าอคุณมาความทุกข์ของคนที่ยังมีอยู่เนี่ยนะยังไม่สามารถเห็นอริยสัจสีได้เนี่ยเท่ากับพื้นแผ่นดินนี้ทั้งหมดแต่ความทุกข์ของคนที่เป็นโสตบัญคือคนที่เห็นอริยสัจสีแล้วเนี่ยขั้นต้นเลยนะจะเท่ากับหินอปลายฝุ่นเนี่ยฝุ่นติดปลายเล็บเท่านี้เองความทุกข์ของเขาที่ยังเหลืออยู่ เพื่นจะเห็นว่าโอ้โหคนที่สามารถเฉยอนิเสศสีได้เนี่ยโดยอาศัยเหตุคือความมั่นใจในร พ, พระบุตรพระสัมพระสงฆ์เนี่ยจะมีความทุกข์น้อยลงมากแล้วก็พอมีเรามีความทุกข์น้อยลงอย่างนี้เนี่ยเราจะมีความสบายใจแล้วนะวินาทีที่เราจะต้องตายหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้เลยว่าไว่เาไปสู่ที่ดีแน่นอนเวลาเกิดเหตุเพศภัยภยัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครเนี่ยไปพึ่งสิ่งที่ ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งที่ดีเนี่ยนะจิตของคุณเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่มีกําลังไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นคงจิตที่เป็นอย่างนี้เนี่ยการที่จะไปสู่ที่ที่ดีเนี่ยมันจะเป็นการยากเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเห็นอริยสัจนะใช้พระพุทธประธานประสงค์เนี่ยทำให้เราเห็นอริยสัจสีแล้วเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องได้เป็นโสดาบันได้นะโสดาบันคืออะไร โซดาบันก็คือผู้ที่ถึงกระแสะตกสู่กระแสละเป็นผู้ที่ไม่เวียนไปสู่ภพต่าเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่แน่แๆต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลแบบนี้เนี่ยว่าโสดาบั น, นโสดาบันเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็คือว่ามีความมั่นใจศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเนพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็เป็นคนมีศี่ห้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าอุปสอุบาสิกรารท่านใดเนี่ยกลัวภัยพิบัติ ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนักวิชาการก็ออกมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เหตุการณ์ต่างๆบ่งบอกชี้ถึงกระแสว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ให้ทุกคนนะเตรียมตัวว่าถ้าอเราทําดีนะเราก็จะไปที่ดีไม่ว่าจะเป็นพบนี้หรือพบหน้าเพราะฉะนั้นทําดีนี่ทํายังไงเอาอะไรมาวัดเครื่องความดีของตัวเองเอา ง, ง่ายๆเลยคิดดีพูดดีทําดีนาะ หรือเอาสีนมาวัดก็ได้เอาเรื่องสีนหนึ่งดีกว่าง่ายที่สุดเลยเอาสีห้านี่แหละมาวัดดูซิว่าในวันหนึ่งของเราอะ่ะตั้งแต่วันนี้เราตื่นมาตอนเช้าเช้าอย่างานเงี้ยเมื่อวานนี่ลองคิดดูเราทําอะไรอะไรที่เราทําแล้วไม่อยู่ในสีนมีไหมถ้ามีให้รีบแก่อันที่สองคือข้อที่เรียกว่าเมตตาให้เจริญเมตตาถ้าคุณมีศีมีความเมตตานะ พระธเจ้าเรียกธรรมสองหมวดนี้ว่าอปปนกากธรรมคือธรรมที่ไม่ผิดนะอปปนกะธรรมคือธรรมที่ไม่ผิดไม่ว่านักวิชาการเหล่านั้นจะคำนวณผิดพยากรณ์ผิดนะเราก็สบายใจเพราะว่าบัดนี้เราก็เป็นคนมีศีลบัดนี้เราก็มีความอิ่มเอิบใจมีเมตตาอยู่ในใจคนมีศีลเนี่ยอาจารมาจะบอกให้เข้าสู่บริษัทไหนไม่ครั้นคราม จะไม่มีใครมาโจดเธอได้เลยหรือมากล่าวหาเธอไอ้พวกนี้ฆ่าสัตว์นี่เาเธอเพิ่งผิดในการนี่เาเธอก็พูดโกหกนี่เขาจะโจดเราด้วยเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยเราจะมีความมั่นใจไม่ครั่นคร้ามเข้าสู่บริษัทไหนก็แล้วแต่แล้วของคนกลิ่นของคนผู้หญิงสีเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบนะว่าดอกไม้ดอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีกลิ่นหอมมากหอมน้อยเนี่ยโหอ ย, ย่างดีมากเลยแต่ดอกไม้ทั้งหมดนะกลิ่นเหล่านั้นไม่สามารถฟุ้งทุนลมไปได้ แต่กลิ่นของเธอผู้มีศีลเนี่ยชื่อเสียงของเธอจะสามารถกระจายไปทวนลมไปได้เพราะฉะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยอยู่ในศีลห้าเขาง่ายๆศีลห้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงกระจายไปว่าฉันเป็นคนมีศีลนะใครลองคิดดูเพื่อนที่ตัวเองมีศีลเพื่อนตัวเองมีศีลหรือตัวเองมีศีลเนี่ยไม่กินเหล้านะเขาพาไปเที่ยวเกล็กเมลเกเรชวนไปกินเหล้ากินเบียรเราไม่กินชื่อเสียงของเราเนี่ยจะกระจายไป ไอ้หมอนี้มันไม่กินเหล้ามันจะเป็นพระเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นชื่อเสียงที่ดนะีแล้วก็เราเข้าสู่ที่ไหนไปที่ไหนเราไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาโจมเรานะไม่ต้องกลัวว่าจะมีคลิปวิดีโออยู่ในอินเทอร์เน็ตถ้าคุณจะไปผิดสีข้อสามเพราะเราไม่ได้ทำนะอันนี้คือองค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่สองคือความเมตตาเมตตาภาวนาคือเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำ คนที่เจริญเมตตายอยู่เป็นประจำเนี่ยจริงเขาจะเป็นสุขอท่านผู้ฟังเคยเข้าใกล้หรือว่าเคยรู้จักบุคคลที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอพูดจาปลาัยดีมีความรักความเมตตาเราไปใกล้บุคคล น, นี้เราก็มีความสุขนะเรารู้สึกว่าสบายใจอยู่ลึกๆข้างในมาหาบุคคล น, นี้แล้วแหมมันอิ่มเ อ, อิบใจเย็นใจอย่างนี้เคยมีไหมถ้าเคยมีให้รู้ไว้เลยว่าบุคคลเนี้ยเขาเจริญเมตตายอยู่เป็นประจำ เราทําได้ไหมได้แน่นอนทําได้แล้วจะเห็นอะไรเห็นเดี๋ยวนี้เลยถ้าเผื่อว่าคนที่เขาแพยากรนนักวิชาการหมอดูคนไหนสมณพราหมณ์พระองค์ไหนหรือพราหมณ์คนไหนเนี่ยพยากรไว้อย่างไรก็แล้วแต่นะสมมุติถูกจะมีเพศเพศภัยตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราตายเราแน่นอนเราไปสู่ที่ดีนะความสบายใจสีอย่างนี้จะเกิดแก่เธอแน่นอนคืออย่างแรกนะถ้าเผื่อว่าพบหน้า นะคือการพยากรณ์ของเขาเนี่ยการทํานายปีไหนก็แล้วแต่เถอะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เถอะถูกถูกนะจะเกิดอะไรขึ้นบัตรนี้เรามีความสุขถ้าเปิดถูกแล้วชาติหน้ามีจริงชาติหน้าเรายิ่งมีความสุขแต่ถ้าการพยากรณ์ของเขาผิดแล้วเรายังมีชีวิตอยู่บัตรนี้เราก็มีความสุขถ้าชาติหน้าไม่มีจริงนะพบหน้าไม่มีจริงบัตรนี้เราก็มีความสุขพบหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยนะ แล้วก็ความเบาใจอย่างที่สามก็คือว่าถ้าเผื่อว่ากรรมมีจริงการกระทําของเรามีจริงเเราจะต้องยิ่งได้รับผลที่ดีขึ้นแน่นอนลผลในพบต่อตไปเอาผลง่ายๆที่เห็นเลยเราจะได้มเมตตาเป็นคนมีสีเนี่ยผลที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าคือหนึ่งชื่อเสียงของคุณกร ะ, กระจายไปแ ล, แล้วก็สองคุณจะมีความสุขอยู่ในใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นอันนี้เห็นได้ในปัจจุบันเลยนะอะอันที่สี่ก็คือว่าถ้าเผื่อว่า การมไม่มีจริงกรรไม่มีเราทำไปกค่เท่านั้นแหละถ้าคุณมีถ้าสิ่งนี้เป็นจริงเนี่ยปัจจุบันคุณก็ยังมีความสุขไม่มีใครครหาได้กล่าวหาได้คนที่จะสามารถตั้งมั่นปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลและมีความมั่นใจในศีลของตัวเองเนี่ยแล้วก็เจริญเมตตาได้ตลอดเวลาเนี่ยคุณจะต้องมีพระพุทธประธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่ง เวลามีปัญหามีความเครียดมีความทุกข์ใจเนี่ยให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงพระธรรมให้ระลึกถึงพระสงฆ์มีพระมองหนึ่งชื่อปิงขี A ่ยานีปราหมณ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาบอกว่าเนี่ยเขามั่นใจมากเลยว่าสมณโคดมนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าจริงเขามั่นใจเลยว่าไอ้พระธรรมเนี่ยคือคําสอนที่ คนปฏิบัติไปแล้วสามารถพ้นทุกได้มีความรู้จริงเห็นจริงงดงานในเบื้องต้นทํากลางที่สุดนี่มีอยู่จริงแล้วก็จะเชื่อมั่นได้อย่างมากเลยว่าคนหนาๆคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นชาวบ้านร้านตลาดอย่างเงี้ยมาปฏิบัติทำแล้วจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เนี่ยมีอยู่จริงเขาอาศัยเครื่องเหตุสี่ประการนี้นะก็คือว่าเขาอาศัยว่ามีไหมคนชนชาติกษัตริย์ นะเชื้อมีเชื้อพระวงค์มาบวชนะมีความตั้งใจที่จะมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้านะพอมาโต้วาทะแต่งคําถามมาอย่างดีละเตรียมคําถามมาอย่างดีแล้วตอบอย่างนี้จะแก้อย่างนั้นถ้าแก้ยอย่างนี้จะถามอย่างนี้ต่ออย่างเงี้ยนะพอมีการเตรียมตัวมาอย่างดีขนาดนั้นแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะถามไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเสร็จแล้วเขาเกิดมีความร่าเริงปีติในธรรม เห็นเอเรสสต์สี่ขอบวชบวชแล้วทําให้แจ้งซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ได้แล้วก็ตายคาผ้าเหลืองนี่คือเหตุอย่างหนึ่งเหตุประการที่สองก็คือว่าทั้ามีข้าราชการข้าราชการคนไหนอ่าที่แต่งคําถามไม่อย่างดีจะไปถามพระ เ, รเ้าช่ยังไม่ทั้ถามเลยถูกพระเ า, า้าแสดงธรรมแล้วมีความเห็นถูกต้องขอบวชบวชแล้วตายคาผ้าเหลือง นะอย่างที่สามก็เป็นพวกเคราบดีนะเป็นพวกพ่อค้าเป็นชาวบ้านธรรมดาอย่างที่สี่นี่ก็เป็นคนใช้แรงงานเป็นชาวนาเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาถ้ามาบวชแล้วตายขาผ้าเหลืองไม่สึกเนี่ยเขาจะมั่นใจว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่มีจริงนะพระธรรมที่ทําให้เป็นคนให้เป็นคนดีเนี่ยทําแล้วจะพ้นทุกทําแล้วจะมีความสุขเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็คนไหนก็แล้วแต่นะเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาอ่า มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเป็นคนดีขึ้นมาได้เนี่ยมีอยู่จริงถ้ามีเครื่องตั้งอิงสี่ประการนี้แล้วเนี่ยนะเขาจะมั่นใจเลยว่าพระพุทธประธรรมพระสงค์มีจริงนะไปบอกพระรูชาอย่างนี้นพระรูชาก็รับฟังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามท่านผู้ฟังว่าทุกวันนี้ เ, เห็นไหม เชื้อพระวงคนไหนที่บวชแล้วไม่ศึกตายขาพระเหลืองนี่อาจามาจะบอกให้อยู่ว้านบ่อนมีมองล้วงมังมาชวงนะที่บวชแล้วตายถาพระเหลืองไม่ศึกมีมีแม่ข้าราชการที่บวชแล้วตายขาพระเหลืองไม่ศึกนีระดับอธิบดีระดับปลัดอำเภอหรือว่าปลัดกระทรวงหรือว่านายพลพลเอกพลโทเนี่ยเขาไปบวชตายขาพระเหลืองมี มีไหมพวกลูกข้าราชกาไปบวชตายคาพระเหลืองมีเสรษฐีลูกเสถียรทั้งหลายคนนะไปบวชเห็นพระธรรมซาบซึ้งบวชและวตายคาพระเหลืองมีมีไหมผู้ชาวบ้านร้านตลาดเป็นชาวนาเอา่อเป็นคนขายของอะไรต่างๆไปบวชตายคาพระเหลืองมีไหมมีถ้ามีสี่อย่างนี้แล้วนะักธรรมาจะบอกให้ให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าสิ่งหมวดธรรมะอะไรต่างๆที่ทําแล้วเนี่ยเราเป็นคนดีเนี่ยมีอยู่จริง คนที่เขาตรัสรู้เรื่องราวพวกนี้คนพบสิ่งเหล่านี้แล้วมาบอกสอนเราเนี่ยมีจริงนะคือพระธรรมมีจริงพระพุทธมีจริงคนใครก็ตามที่เป็นคนธรรมดาไม่รู้เรื่องอิโนอิเนเป็นคนหนาบ้างเป็นคนหยาบบ้างเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วมารู้ธรรมะเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเป็นคนดีขึ้นมาได้มีอยู่จริงให้มั่นใจไวได้เลยให้มั่นใจได้เล ย, เลยแล้วก็ให้ใช้สิ่งนี้แหละเป็นที่พึ่ง และททำตัวเองให้เห็นเอริยศรีเพราะเห็นเอื้อศรีแล้วจะเป็นผู้ที่เหมือนกับเสาหินพระองค์เ า, าบอกว่าเปรียบเหมือนเสาหินหิเสาเนี่ ย, ยหินทั้งแท่งนะไม่มีรอยต่อนะยาวสิบหกศอกกว้างหนึ่งศอกเป็นเสากลมฝังลงไปในดินอย่างดีลึกแปดศอกโผล่ขึ้นมาพ้นดินแปดศอกลงและใต้ออกตกพัดหมายเสาหินนี้เป็นยังไงไม่กระเทือนไม่สะทานไม่สั่น ร, รัวไปได้ด้วยแรงลม เหมือนกันถ้าเธอเห็นอริยสัจสี่มีความมั่นใจในพระพุทธประพระสงค์แล้วไม่ต้องกลัวภายพิบัติแบบไหนเรายืนตั้งอย่างสง่าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันจะทำะร้ายเราจริงเราก็ไปดีแต่เรามีความดีอยู่นะมินาทีนี้เราก็เป็นสุขมีแต่ดีกับดีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ามีเครื่องอ้างอิงเครื่องยืนยันอย่างนี้ให้ทา ทำแล้วให้สบายใจสบายใจแล้วจะยังไงให้ชักชวนคนอื่นทําด้วยคนที่ทําแล้วเนี่ยสบายใจแล้วเนี่ยมีความมั่นใจแล้วเนี่ยพรุทธเจ้าบอกว่าเป็นสัตบุตรนะคือคนดีคนเก่งคนประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติมสม่ําเสมอแล้วถ้าชักชวนคนอื่นทําด้วยคุณนี่ชื่อว่าเป็นสัตบุตรยิ่งกว่าสัตบุตรนะเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีเพราะว่าชักชวนคนอื่นนําด้วยนี่ใช่ไหมแทนที่คุณจะไปจุดทูปไหว้ เป็น99วัดนะหรือว่าไปบนบานสารกล่าวที่นั่นที่นี่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยหรือสถานที่เหล่านั้นก็แตกทำลายเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณใช้พระพุทธพระมสงค์ให้เอาพระพุทธพระมพระสงค์เป็นที่พึ่งเห็นเดชสัจสีควรจะถึงไปขนทางสู่ความไม่ตายลมหายใจเราเข้าออกทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวินาทีนาทีหนึ่งตั้งยี่สบสาสิบครั้ง แสดงว่าคุณเข้าใกล้ความตายไปทุกขณะทุกขณะไม่แก่ตายก็ถูกอุบัติเหตุเพศภัยพลินสักอย่างหนึ่งตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอนะในเมื่อชีวิตเราใกล้ความตายเข้าไปทุกวันทุกวันทางเดินที่เราเข้าไปสู่ความตายทุกวันทุกวันเนี่ยอยู่ในมรรคไหมอยู่บนหนทางที่จะไปสู่ความไม่ตายไหมถ้าเราอยู่ในมรรคเ น, นหนทางที่เราไปเนี่ยนะแทนที่จะไปสู่ความตายมันก็จะไปสู่ความไม่ตายไปสู่ความที่จะสบายใจเป็นอมตะ ยิไมอยู่ได้คนที่มั่นใจมีจิตมีเมตตาตัวเองมีศีลเนี่ยมันสบายใจนะใครจะมาด่าเราว่าเราเราก็สบายใจใครเ็จะพยากรณ์ว่ายังไงปีนี้ปีหน้าปีโน้นเราก็สบายใจนะถ้ามันเป็นจริงเราก็สบายใจเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเราก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้ามันไม่เป็นจริงตอนนี้เราก็สบายใจแล้วตอนหน้าเราก็ยังได้รับผลของความดีที่เรากระทำมิจฉดีกับดี เพราะฉะนั้นให้ทำอยู่ในความดีนี้พูดดีคิดดีทดําดีอย่าด่าใครอย่าว่าใครอย่าคิดร้ายกับใครถ้าคิดร้ายกับใครทําไงรีบละนะให้มาคิดเรื่องที่ดีๆถ้าพูดไม่ดีแล้วทำยังไงแก้ไขซะเป็นผู้เห็นโทษด้วยความเป็นโทษกระทําคืนตามธรรมนั่นจะเป็นความเจริญของเธอในธรรมวิ น, นัยนี้แล้วก็ถ้าเรามีความมั่นใจในระดับนี้แล้วเนี่ยมีศีลมีความมั่นใจในเรื่องของพระบุตรพระธรรมพระสงค์แล้วเนี่ยให้มั่นใจ นะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมั่นใจว่าพระพุทธพรธรรมประสงค์เนี่ยมีแล้วก็เป็นที่พึ่งได้และเรศสีเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราออกจากความทุกข์ความกังวลใจที่เรามีณบัดนี้ไม่ต้องรอหลอกปีหน้าปีโน้นปีสองพันสิบสองอะไรเอามันเดี๋ยวนี้เลยให้มันเสร็จจะมีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกระลึกรู้อยู่ถึงลมหายใจเป็นผู้มีสตนะิชื่อว่าใช้พระพุทธพระธรรมประสงค์เนี่ยเป็นที่พึ่งแล้วแล้วเรามีที่พึ่งอย่างนี้ จะเป็นที่เรียกว่าเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นเครื่องเข้าไปให้ถึงความสงบระงับแห่งทุกข์นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้วันนี้ได้พูดถึงเรื่องของพระพุทธพระ ร, รมระสงค์ในการที่จะแก้ปัญหาการที่มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีความ เห็นคำถามหรือสิ่งใดๆที่จะสื่อสารมาทางรายการก็ให้ส่งมาได้ทางรายการธรมรมรัตบุรุษถนนวิภาวดีรังสิต10400ดินแดงกรุงเทพแล้วก็ถ้าสะดวกเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเว็บไซต์ก็ให้มาที่เพี e วธรร m a .com เรามามาแสดงธรรมที่นี่เนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันให้ท่านทุกฝั่งทุกท่านทราบว่าพระพุทธพระธรรมประสงค์เนี่ยเป็นของดี เป็นของจริงอย่ามัวพากันประมาทให้เป็นผู้ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะแล้วให้เห็นเอือ ส, สัตยด้วยปัญญาอันถูกต้องจะสามารถพ้นไปจากทุกได้ใี้หวังติดตามเลิกฟังรายการ